สี่สิตัดสินใจกันอีกครั้งฮะเจ้ายังไงดีไม่มีสัญญาณตอบรับเลยนะเนี่ยด็อกเตอร์สแตนลีประกาศเครียดขืนยืนรอกันอยู่แบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรได้ทั้งนั้นแหละเสียงตามดีกว่าน่ะเชิด ว, วุฒระเบิดความอึดอัดขึ้นทุกคนเห็นพองด้วยทันทีเพราะการพยายามติดต่อทางวิทยุไม่ได้ผลมาตลอด ทำกลางการสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยของระพินพรานท่าบุญคำซึ่งยังคงเดินเตร่ตรวจสอบอย่างทีท้่นที่สุดรอบๆ บ, บริเวณใกล้เคียงถูกเรียกตัวเข้ามาทันทีในบุญคำเป็นนั้นว่าเราตัดสินใจจะเสี่ยงตามระพินกันเดี๋ยวนี้ละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะัะขึ้นอยู่กับบุญคำเราหมายถึงการตัดสินใจเลือกทิศทางแกะรอยนะ ตาเท่าเองก็ร้อนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่พยักหน้ารับทันทีเมื่อได้รับคำสั่งตกลงนายฮะบุนคำพอจะมองเห็นเขาเงื่อนอะไรบ้างแล้วละ่ะทางช่องหินนั่นเป็นทางด่านด่านเหนือนั่นแกชี้มือประกอบบุนคำเห็นใบของต้นไม้มีพิษหล่นอยู่สองสามใบแล้วตามไปอีกนิดนึงก็เห็นใบของมันตกอยู่อีก ม่ร้อยลากมากับพื้นด้วยแล้วกิ่งไม้ระยำนั่นก่อนที่จะถูกนามาโยนลงในแอ่งน้ำนี่มันจะต้องลากมาจากทางด้านนั่นแหละถ้าพรานใหญ่จะไปก็คงไปทางด้านที่กิ่งไม้ถูกลากมาแน่นอนท้างั้นก็ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดแล้วละ่ะเชิดวุฒร้องออกมาพร้อมกับเห็นพรวดเข้าไปยังตาแหน่งปากทางอันเป็นช่องหินที่บุญคาชีบ้บอกก้มลงมองพื้น เสียงอุทานลั่นออกมาอย่างยินดีมีหวังขึ้นโบกมือเรียกพักพวกทุกคนให้กรูกันเข้าไปโดยเร็วแล้วก็เห็นจริงตามที่บุญคำบอกไว้แม้พื้นจะเป็นดินลูกรังปนกรวดแห้งสักเพียงใดก็ตามร่องรอยของการลาดกิ่งไม้ผ่านเข้ามาก็ยังจะพอสังเกตเห็นได้เพราะมีใบสุดของมันสองสามใบตกลหล่นห่างกันอยู่เป็นระยะระหว่างซอกหินที่แคบที่สุดก็ยังเห็นรอยกิ่งที่ลากระทบเสียดสี ทิ้งคราบเ ข, เขียวเอาไว้มองตามเส้นทางนั้นเป็นแนวทางอันเคี้ยวคตรเลาะไปในระหว่างหมู่ป่าหินมีทีท่าว่าจะลงไปสู่ป่าในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอันหาขอบเขตแน่นอนไม่ได้ทั้งหมดเคลื่อนออกจากที่ทันทีโดยการนำของบุญคำทว่าขนาดนั้นเองต่างก็ต้องชะงักกึกวิทยุที่เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาของดรสแตนลีย์ ปรากฏเสียงชัดเจนขึ้นชนิดที่ทำให้ทุกคนลืมตากว้างอย่างดีใจสุดขีดระพินเรียกทุกคนครับระพินเรียกทุกคนครับเฮ้ระพินพวกเราอยู่นี่คุณไปจมอยู่ที่ไหนอะ่ะหัวหน้าคณะพูดเร็วปรือในลักษณะเกือบจะเป็นการตะโกนคิดเบรเชิดบุตและคริสติน่าต่างกระชากวิทยุประจำตัวขึ้นมาเปิดพร้อมกันหมด พระต่างก็ประสงค์จะซักถามผู้โตตอบกับพรานนาทางทั้งสิ้นในภาวะที่เต็มไปด้วยปริศนามืดมนเช่นนี้เสียงระพินพูดมาค่อนข้างเร็วดังออกมาจากเครื่องรับของทุกคนว่าก่อหนึ่งขออภัยนะครับที่ไม่ได้ตอบมาในทันทีปล่อยให้พวกท่านรอกันนานบังเอิญผมทําวิทยุตกครับเกือบหายระหว่างที่เดินหาก็โชคดีที่ยังได้ยินเสียงเรียกจากมันจึงค้นหาตําแหน่งตกพบครับขณะนี้ทุกท่านอยู่ที่ไหนกันครับ เรามายืนงงกันอยู่ตรงแอ่งน้ำบนเนินนี่นานกว่าหกเจ็ดนาทีแล้วคุณไม่พบวี่แวร่องรอยของคุณเลยนี่ก็กำลังจะตัดสินใจตามอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพอดีได้สัญญาณเรียกจากคุณน่ะตันลีผู้ยังคงพูดเป็นรถไฟด่วนอยู่เช่นนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงระคดีใจอยู่ตรงแอ่งน้ำน่ะเหรอท่าเจ้ามีใครไต่ต้องน้าในแอ่งบ้างหรือเปล่าครับ ครานี้เป็นเสียงกระหืดกระหอบแสดงความตกใจของพรานใหญ่ไม่ต้องห่วงคุณโชคดีมากที่บุญคำเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นซะ ก, ก่อนแล้วห้ามเราไม่ให้แต่ต้องน้ำในแองขอบคุณสวรรค์ผมก็กำลังร้อนใจอยู่ในเรื่องนั้นนะครับเสียเวลาค้นหาวิทยุตกหายอยู่นานเกือบสิบนาทีแองน้ำนั่นจะมันกลายเป็นน้าพิษไปแล้วล่ะเรารู้แล้วล่ะคุณบุญคาบอกเรา มีกิ่งไห้มีพิษถูกโยนลงไปแช่อยู่กลางแอ่งน้ําตอนนี้น้ําเป็นสีขาวมัวไปหมดพวกเราก็แทบจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วอ่ะที่ไม่ได้ข่าวอะไรจากคุณหลังจากได้ยินเสียงไรเฟิลดังขึ้นสองนัดคุณปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าล่ะรพินตอนนี้อยู่ไหนเรากําลังจะออกตามอยู่เดี๋ยวนี้นะคุณพอเดินได้ไม่กี่ก้าวก็พอดีคุณเรียกขมานี่แหละเสียงคีตตะโกนกรอกลงไปในวิทยุจากมือของตน ผมปลอดภัยดีแล้วครับปกติดีทุกอย่างครับพวกท่านอยู่กันครบหรือเปล่าครับไฮฮัน <Hi, Hunter! S 1> เตอร์เบนปลาใสทางวิทยุของหล่อนขึ้นบ้างพร้อมกับหัวรอบเบาๆพวกเราก็อยู่กันครบนั่นแหละคุณฉันอาจารย์คีดเชิดบูธแล้วก็คริสแล้วก็แถมลูกน้องมือดีของคุณตาบุญคำทุกคนน่ะเป็นห่วงคุณยันบอกไม่ถูกแล้วแลวเมื่อก่อนหน้านี้เราสักสินาที ก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงยอดป่าหินตำแหน่งแอ่งน้ำที่คุณอ้างว่าจะขึ้นมาดูนี่นะรู้เปล่าพวกเราตั้งหัวคนเกือบแหลกเหลวไปแล้วคุณอาไม่รู้ถ้าขณะนี้คุณอยู่ห่างจากเราออกไปมากก็ไรครับเสียงจอมาคุเทศจาก l o u ป s p e a k e r ของวิทยุจิ๋วในมือของทุกคนถามสวนมาอย่างตกใจระคเ ร, ร้อนอิสเบนพยักหน้าไปทางหัวหน้าคณะเพื่อให้ตอบแทน ระพินเราได้ยินเสียงปืนสองนัดจากคุณนะนดอรสแตนลีระงับความตื่นเต้นลงได้แล้วเล่าความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ระพินฟังทางวิทยุติดต่อพวกเราที่นั่งรออยู่ตีเนินทั้งหมดพยายามเรียกคุณด้วยวิทยุแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบก็ตกใจกันมากผมและทุกคนก็เลยวิ่งขึ้นมาบนเนินเพื่อตามหาคุณและในขณะที่เราวิ่งไปทางขึ้นมาเกิดจะถึงยอดนั่นเองหินใหญ่ก็นหนึ่ง ก็ถูกกำลังอะไรชนิดหนึ่งผลักดันให้หลุดร่วงลงไปมันกลิ้งสวนทางจะทับพวกเราทุกคนอตอนนั้นต่างคนต่างรีบเข้าข้างทางเอาตัวรอดกันไปได้อย่างบุดบิดปืนผาหน้าไม้พัดหลุดจากมือหมดตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครเอาตัวรอดได้หรือใครคลอร้ายแหลกหลิวไปบ้างแล้วเสียงระพินอุทานลั่นออกมาแล้วยังไงต่อไปครับระหว่างที่เราต่างกลิ้งกระจัดกระจาย งอหลบหินกันอยู่ชนิดตัวใครตัวมันเราก็เห็นไอ้ยักษ์ตัวหนึ่งส่งเสียงร้องลั่นเล่นสวนลงมาเราเห็นกันถนัดหมดทุกคนเลยแหละคุณช้างใหญ่ขนาดเกือบเท่าตัวของช้างป่าทั่ ว, วไปงา a ทั้งสองข้างน่ะมันดำสนิทเป็นสีนิ่งจริงๆคุณไง nga ดำ น, น่ะมีตัวตนอยู่จริงกระพินเราสาบานได้แล้วก็มันนั่นแหละที่คอยดักซุ่มงัดก้องหินระหว่างที่พวกเราหลบอยู่ ปืนก็พลัดหลุดจากมือไปหมดไอ้งาดาที่กะเหรี่ยงพวกนั้นเล่าให้ฟังน่นแหละครับคราวนี้เป็นเสียงของระพินกลายเป็นตะโกนขึ้นมาบ้างดังลั่นไปหมดในวิทยุทุกเครื่องที่เปิดติดต่อกับเขาอยู่ในขณะนี้สแสดงว่าเขาไม่ได้รับแค่ระคายอะไรมาก่อนเลยขณะที่ผ่านขึ้นมาบนเนินเราก็ไม่รู้นะรพิน์ว่ามันเป็นไอ้งาดําตัวเดียวกับที่ไอ้ที่กะเหรี่ยงสามคนนั้นเล่าให้ฟังหรือเปล่า แต่มันมีงาสีดำสนิทอย่างแท้จริงผิดแปลกไปกว่าช้างทุกตัวในโลกนี้ขนาดมันอะใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลยัะพินยังก็พูเขาเคลื่อนที่เลยละ่ะขณะที่มันวิ่งสวนทางตามก้อนหินลงมานะ่ะโชคดีนะคุณที่พวกเราตั่งลบหินแยกย้ายกันอยู่แล้วก็หมอบตัวนิ่งทำให้มันมองไม่เห็นแล้วมันก็วิ่งลงเนินเข้าป่าหายไปไม่มีพวกเราคนใดยิงมันได้ทันเลย เพราะไรเฟิ่หลุดมือกันไปหมดแม้แต่ชีวิตก็แทบจะเอากันไม่รอดตอนที่หนีหินใหญ่ก้อนนั้นน่ะทุกคนไม่ได้รับอันตรายสาหัสอะไรหรอกก็แค่หัวแตกถลอกปอกเปิดกันไปบ้างระหว่างกริ่งตัวหลบนะ่ะขอบคุณสวรรค์นี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดกับพวกท่านเลยนะครับผมกำลังมีเรื่องจำเป็นติดพันอยู่โชคดีมากครับที่ทุกคนไม่เป็นอันตรายอะไรมากถ้า ง, งามมันมีสีดาจริง มันก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่พวกกะเรียงเล่าให้ฟังนั่นแหละแสดงว่าพวกท่านมีโอกาสได้เห็นมันชัดเจนแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้เห็นเลยมันแอบอยู่ตรงชะงอนหินริมปากทางที่พวกท่านไต่ขึ้นมาหรอครับใช่หลักฐานมันบ่งชัดเจนเช่นนั้นแหละเราทั้งหมดจังแปลกใจเลยว่าเหตุใดคุณถึงล่วงหน้าขึ้นมาก่อนแล้วแต่ทําไมถึงไม่เห็นมันนะ่ะนี่คุณไม่ได้เห็นมันเลยเหรอราพิน คริสติน่าร้องถามไปเป็นประโยคแรกของหล่อนระหว่างที่เปิดรับฟังอยู่ครับผมไม่เห็นด้วยรักแค่รัคายมันเลยครับแสดงว่ามันคอยดักเพื่อจะงัดหินใส่พวกคุณมันก็ต้องแอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วละ่ะแล้วมันก็คงจะระวังแม่ผมเห็นผมเองก็ไม่ทันสังเกตอะไรมากเพราะมีสิ่งอื่นที่เรียกความสนใจมากกว่าว่าแต่มีมันตัวเดียวเท่านั้นเหรอครับที่เดินที่แล่นสวนลงไปอะ่ะใช่ ตัวเดียวโดดๆโไม่มีลูกน้องบริวารอยู่กับมันด้วยเลยแล่นลงตาทึบหายไปแล้วพวกเราทั้งหมดเห็นมันในเวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นแต่ก็เห็นได้ชัดยืนยันได้ตรงกันหมดว่ามันเป็นช้างที่มีงาสีดําแน่นอนผมมกาจะยิงมันด้วยปืนสั้นแล้วแต่บ็อบห้ามไว้ทันแล้วก็โชคดีนะที่บ็อบห้ามไว้ถ้าขืนผมยิงมันเข้ามันก็คงวิ่งเข้ามากระทึบผมแบนจะแตกไปแล้วล่ะ ตอนนั้นน่ะบังเอิญมันมองไม่เห็นพวกเราคนใดเลยแล้วคงไม่ต้องการอยู่เป็นเป้าให้เห็นนานนักพอแล่นตามหลังก้อนหินลงมาก็เวยโอกาสลงตาด้านล่างหายไปเลยถ้ามีไรเฟิลติดมืออยู่บ้างสักคนก็คงได้ยิงนัและหน่าเสียดายโอกาสเดือดเลยคิดเล่าทางวิทยุสบดสาบานแซบไปพลางไม่ต้องเสียดายโอกาสหรอกครับปล่อยมันไปก่อนไม่ช้าก็เร็ว เป็นได้ประจําหน้ากันอีกแน่นอนครับพวกคุณผลขีดอันตรายได้ก็ควรนับว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้เงียบหายไปเฉยๆนะครับตั้งใจจะส่งข่าวอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกแล้วแหละเหตุการณ์ฉุกเหุกที่เกิดขึ้นทางด้านผมทําให้วิทยุหล่นหายระหว่างทางก็เพิ่งค้นพบเก็บได้เดี๋ยวนี้เองและพินไพรวันบอกมาโดยเร็วแม้ว่าทุกคนในขณะนี้จะยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไร แต่ก็ใจชื้นปลอดโปร่งขึ้นแล้วเมื่อได้รับสัญญาณผู้โต้อตอบจากวิทยุแสดงว่าเขาปกติเรียบร้อยและปลอดภัยแน่นอนนี่คุณระพินคุณยังไม่ได้บอกเราเลยนะว่าขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทางด้านคุณมั่งเชิด ว, วุฒิถามบ้างผมอยู่ไม่ห่างไกลจากบริเวณยอดของต่าหินที่พวกท่านยืนอยู่ขณะนี้นะครับ คงจะ ห, งห่างประมาณสักไม่เกินไม่ทางด้านเหนือของเนินครับได้ยิงอะไรสองนัดเมื่อกี้นี้่ะคุณคริสติน่าซักสวนไปทันทีก่อนที่เขาจะจบประโยคซะด้วยซ้ำเสียงรัพพินนิ่งไปกึ่งอึดใจอย่างมีเลสในชวนคิดทุกคนบนเนินที่ถือวิทยุอยู่ในขณะ น, นี้รวมทั้งบุญคำด้วยต่างมองหน้ากันเองได้ยินไมรัพิน ดอร้อนใจนะต้องการรู้ว่าคุณยิงอะไรสองนัดทําไมไม่ตอบนั่นคุณยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าตายไปแล้วคราวนี้เสียงของคริสติน่าเกือบจะเป็นตะหวาดเพราะความรุ่มร้อนใจเหลือที่จะกล่าวมีเสียงหัวเราะเบาๆแสดงว่ารู้ในอารมณ์ของผู้ถานแล้วก็ตอบมาเรียบๆว่า <c oughs> ผมก็ยังมีชีวิตอยู่พร้อมดรวย อาการของร่างกายที่ครบสามสิบสองครับมิสกรูบิ้แต่ผมยังนึกไม่ออกว่าสมควรจะบอกท่านทั้งหลายว่ายังไงดีเกี่ยวกับไอกระสุนสองนัดเอาเป็นว่าผมอยากจะเชิญให้ทุกท่านได้มาเห็นกระตาตัวเองในสิ่งแปลกประหลาดชนิดหนึ่งเห็นด้วยตาก็คงจะดีกว่าที่ผมจะบอกให้ฟังแหละครับะถ้างั้นพวกเราจะตามคุณไปเดี๋ยวนี้แหละบอกทิศทางหน่อยสิหัวหน้าคณะพูดโดยเร็ว เชิญครับตามมาได้เลยครับแต่ขอให้ผมพูดกระบุนคําหน่อยครับได้เราจะให้คุณพูดกระบุนคําจะบอกก่อนนะคุณนะต้องพูดกันในภาษาไทยที่เราฟังรู้เรื่องนะห้ามพูดเป็นภาษาชาวเขาเผ่าใดทั้งสิน้นคริสตินา่าพูดเฉียบขาดอย่างเท่าทันอยู่ก่อนแล้วครับตกลงครับผมจะพูดกระบุนคําในภาษาที่พวกคุณส่วนมากฟังเข้าใจครับ คริสติน่าพยักหน้ากับหัวหน้างานของหล่อนซึ่งยืนอยู่ใกล้บุญคำที่สุดด็อกเตอร์สแตนลีก็ยื่นวิทยุส่งเข้าไปที่ปากของบุญคำทันทีนายนี่บุญคำพูดตาเท่ากรอกเสียงลงไปไอ้งาดำแน่เหรอบุญคำที่เห็นเมื่อกี้นี้ชัดเลยชัดเลยละนายมันละ่ะบุญคำยืนยันได้อีกคนหนึ่ง เอาละบุญคำนำพวกเจ้านายทุกคนลงมาที่ชั้นได้เลยนะขณะนี้ชั้นอยู่ในดงทึบด้านล่างทิศเหนือของเนินหินลูกนั้นน่ะจะมีทางด่านเลาะมาตามป่าหินก่อนระยะหนึ่งให้สังเกตที่ใบไม้และรอยล่าซึ่งจะปรากฏอยู่เป็นระยะพอลงถึงตีนเนินแล้วให้ระวังต่อหลุมกับรังตังช้างซึ่งมีอยู่บริเวณหนึ่ง ก่อนจะเข้ามาในดงของต้นยางนองดูแลเจ้านายทุกคนให้ดีนะบุญคำเดอนให้เขาระวังตัวสุดขีดในขณะที่ผ่านเขตต่อหลุมและรังดงรังตัางช้างจะให้ปลอดภัยที่สุดบุญคำก็ควรจะเดินนำหน้าแล้วให้เขาเดินเรียงเดี่ยวตามหลังอย่าให้ใครแยกเดินออกไปทางอื่นนอกจากคอยตามรอยเท้าของบุญคำไว้เข้าใจไหม ตอหลุมกระรังตังช้างเหรอนายแต่เท่ารองลั่นลืมตาพโพลงเชียงตอบมาว่าเออรู้ตัวแล้วก็ระวังด้วยยา้ายใครพลาดพลาดตกบอ่อตอหลุมหรือกระทบใบรังตังช้างไปนั้นขาดนะทุกคนของฝ่ายนายจ้างขณะ น, นี้อยู่ในความรับผิดชอบของบุญคำคนเดียวให้เขาเปิดวิทยุประจำตัวไว้ด้วยถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจยังไงถามมาได้ทันที ตอนนี้เลิกกันก่อนนะบุญคำโบกมือกับฝ่ายนายจ้างทุกคนแล้วออกเดินนำาลิ้วไปตามช่องทางด่านทางด้านเหนือของแอ่งน้ำซึ่งเห็นใบไม้สดๆหล่นอยู่นั้นทันทีด็อกเตอร์สแตลลีประกบคิดตัวแกอย่างชนิดเดินเคียงคู่พร้อมกระถามว่ากระพินสั่งให้ระวังอะไรนะที่พูดกันตะกี้เนี่ยต่อลุมกรรังตังช้างนายห้าง แกบอกด้วนด่ว น, นซึ่งไม่ช่วยให้ฝ่ายอเมริการเข้าใจอะไรได้เลยก็ น, นั่นนะสิไอต่อหลุมกระรังตังช้างนั่นมันหมายถึงอะไรตาเท่าเอานิ้วเกา ห, หัวแกรกแกรกทำหน้าพิกลแกไม่รู้จะอธิบายให้นายฝรั่งพวกนี้เข้าใจได้ยังไงท้งทา ง, งที่แทบทุกคนก็พูดภาษาไทยกับแกได้ทั้งนั้นหันไปอีกด้านเห็นเชิดบุตรเร่งฝีเท้าเดินเคียงมาด้วยก็เลยบุยส่งไปให้นายทหารรู้จกักไหม ไอ้ตอลุ่งกับต้นรังตังช้างน่ะบุญคําไม่รู้จะบอกกันในห้างได้ยังไงถูกถ้านายทหารรู้ก็ช่วยส่งภาษาบอกกันทีเยอะเชิด ว, วุฒิหันไปทางกลุ่มอเมริกันทั้งสี่ครับผมพอจะเข้าใจครับที่รพินเตือนให้พวกเราระวังตัวเกี่ยวกับสองอย่างนี่แต่ก็ไม่เคยเห็นกระตาตัวเองสักทีครับแม้จะเดินป่ามามั่งแล้วก็ตามบางทีอาจจะเป็นเพราะป่าที่ผมต้องเที่ยวล่าสัตว์ ยังไม่ลึกพอก็ได้เคยได้ยินความร้กาศของมันเท่าที่พวกพรานเล่าให้ฟังเท่านั้นต่อหลุมนี่เป็นแมลงมีพิษชนิดหนึง่งเป็นประเภทเดียวกันกับพึ่งแต่ตัวโตกว่ามากครับแล้วก็มีพิษจากเหล็กในที่ใช้ต่อยเนือกว่ามากเจ้าพวกนี้จะมีรังโดยขุดโพร ง, งอยู่ตามพื้นดินและจะใช้ใบไม้หรือดินร่วนซุยปิดอำพรางไว้ปากหลุมอาจจะเป็นหลุมใหญ่หรือหลุมเล็ก ก็สุดแล้วแต่ขนาดรังของมันตามปกติในหลุมนะ้ําพวกมันจะมีอยู่นับจำนวนเป็นพันพันตัวที่ปิดอัมพรางปากหลุมไว้ก็เพื่อจะล่อเหยื่ออันเป็นสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ไม่รู้มาก่อนให้เดินพลัดตกลงไปแล้วพวกมันก็จะรุมกันต่อยโดยใช้เหล็กในที่ก้นทิ่มแทงจนเหยื่อถึงกับความตายโดยกระทันหันจากนั้นก็จะรุมกันแทะกัดเนื้อเป็นอาหาร เสียงเล่ากันว่าถ้าเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่พวกมันอยู่กันมากๆอาจเพียงชั่วไม่กี่พริตตาเท่านั้นเหยื่อจะถูกรุมแทะกินเหลือแต่กระดูกแบบเดียวกาการรุมกัดกินเหยื่อของปลาปิรันย่าในห ล, หลุมแม่น้ำอเมซอนนั่นแหละและจะสัตว์ประเภทมแมลงที่เรียกกันว่าต่อหลุมนี่ถ้าสร้างขุดโพรงอยู่ที่ไหนก็มักจะมีติดต่อกันอยู่เป็นดงแทบจะเรียกว่าทั้งแถบทีเดียว พวกพรานที่ชำนาญเขาจะสังเกตจากสิ่งแวดล้อมและรู้ได้ด้วยความชำนาญของเขาและถ้าจำเป็นจะต้องเดินผ่านไปในบริเวณที่มันสร้างหลุมพรางไว้ก็จะต้องเดินอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เหยียบพลัดลงไปเป็นเหยื่อของมันหัวหน้าคณะฟังด้วยอาการสงบและพยักหน้ารับทราบแต่คิดกับอีกสองสาวอุทานลั่นออกมาอย่างตกใจขวัญห น, นีดีฟอลตายละไปอย่างั้นจริงๆเหรอวุธ เบนถามเร็วปรือไอ้จะจริงหรือไม่จริงผมก็ได้บอกแล้วว่ายังไม่เคยเห็นกระตามาก่อนนะครับแต่เราก็ได้รับรายงานเตือนให้ระวังตัวจากเจ้าสัตว์ชนิดนั้นโดยระพินไม่หยกยกนี่เองทุกคนก็ได้ยินกันแล้วไม่ใช่หรือครับแล้วอะไรอย่าที่เรียกว่ารังตังช้างน่ะคริสติน่าถามขึ้นบ้างขณะนั้นทุกคนเดินบ่ายหน้าลงต่ําโดยลัดเลาะไปตามแนวหิน ที่ผุดโปลอยู่ทั่วไปตามการนาของบุญครารังตังช้างนี่เป็นใบของพืชลมลุกชนิดหนึ่งครับขนตามใบของมันจะเป็นพิษต่อผิวหนังอย่างแรงถ้าหากว่าเผลอไปกระทบหรือถูกต้องเข้าก็จะคันขยเยปวดแสบปวดร้อนทารุนมากไอ้ต้นรังตังช้างนี่ก็มักจะขึ้นรวมหมู่กันอยู่เป็นโดงเหมือนกันยิ่งกว่าใบไม้มีพิษคันที่เรียกกันว่าตาแยสักสิบเท่า ทั้งต่อหลุมและต้นรังตังช่างน่ะเป็นสิ่งที่เราทั้งหมดจะต้องระวังตัวแจและหลีกพ้นมันไปให้ได้มันดักขวางหน้าทิศทางที่เรากำลังจะมุ่งไปพบกับระพินในขณะนี้แล้วระพินก็เตือนให้ทราบเพื่อเราจะได้ระวังตัวหูเ<ฮ>สียงคิดร้องออกมาไอ้เสือนั่นของเราทำไมถึงได้สับ ป, ประเดิก็ไปอยู่ในดงงนตารายบ้าบอคอแตกอย่างนั้นวะและด้านเรียกเราให้ไปพบ เราย่ำดิเขาบอกว่าเขามีอะไรจะให้เราดูที่นั่นนะสไตลีว่าไม่แสดงอาการสะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งสิน้นผิดกับคนอื่นๆที่เริ่มรู้สึกอึดอัดใจเมื่อได้รับคำอธิบายจากเชิดวุธถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องตามไปพบเขาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเมื่อมีบุญคำนำทางอย่างนี้แล้วก็นี่แหละคือภัยจากธรรมชาติของป่า ที่ระพินเคยบอกไว้แล้วล่วงหน้าซึ่งครั้งแรกพวกเรายังไม่เข้าใจกันนะักดีครับด็อร์สแตนลีย์คุณนี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายที่สุดแล้วก็เรียนรู้อะไรได้เร็วดีเหลือเกินผมเชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างคุณมัรคุเทศนำทางของเราคงจะสบายใจขึ้นอีกมากและปัญหาหนักใจของเขาก็คงมีไม่มากนักะ เชดวุฒิกล่าออกมาจากใจจริงและคำพูดของเขานั่นเองทำให้คีดและอีกสองสาวเงียบกริบลงทันทีไม่มีใครกล้าบน่นหรือแสดงความกังวลใดๆออกมาโดยวาจาอีกชั่วไม่นานบุญคำก็นำทุกคนไตเนินหินด้านเหนือของแอ่งน้ำซึ่งจะสังเกตเห็นใบไม้สดๆที่มักจะหล่นให้เห็นอยู่เป็นระยะอันเป็นเครื่องนาทางชี้บอกได้เป็นอย่างดี ลุงมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มตำแหน่งหนึง่งเห็นพงไม้เตี้ยๆและวัชพืชขึ้นแนวเหมือนป่าละเมาะเล็กๆ ก, ก่อนที่จะแลเห็นดงทึบทะมึนเบื้องหน้าซึ่งห่างออกไปเพียงไม่เกินรอยเมตรข้างหน้าเมื่อ น, นั้นเองแกก็โบกมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดชะงักลงตัวเองก้าวไปด้านหน้ากว่าตามองอย่างละเอียดไปรอบๆทั้งตามลักษณะของพื้นและพงไม้ แล้วหันมาบอกทุกคนว่าเขาแถวเรียงหนึ่งเดินตามหลังบุญคำมาพยายามเหยียบรอยเท้าบุญคำไว้อยากก้าวแยกผิดทางออกไปเลยเป็นอันขาด บ, บุญคำจะเดินช้าๆให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างคนที่ได้รับการฝึกระเบียบวินัยแบบทหารมาเป็นอย่างดีแล้วอเมริกันกลุ่มนั้น เปลี่ยนสภาพที่ยืนรัวหมูกันอยู่กลายมาเป็นตั้งแถวทันทีสเตลีกำหนดให้คิดเป็นคนที่สองรองจากบุญคำเพื่อให้คอยสืบเท้าตามหลังแกไปก่อนเพระาะทราบในนิสัยบุมบามทะเล่ทะล่าของสหายผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีถัดมาก็เป็นอิซาเบลคริสตินาและเชิดวุตรส่วนตนเองเดินคุมอยู่ท้ายขบวนก่อนการเคลื่อนไหวเดินผ่านพื้นที่บริเวณ น, นั้น หัวหน้าคณะส่งมอบวิทยุของตนาวายให้บุญคำชั่วคราวพร้อมก็ บ, บอกว่าอะบุญคำอาวิทยุนี่ไว้ก่อนนะเพื่อจำเป็นเกิดไม่แน่ใจยังไงจะได้ติดต่อกับพลันใหญ่ได้พยายามสอบถามเขาว่าหนทางด้านไหนที่น่าจะปลอดภัยที่สุดให้เขาคอยแนะนาให้ก็คงจะสะดวกกว่าที่บุญคำจะเสี่ยงนำทางไปเองนั่นเป็นความรอบคอบอย่างสูงของหัวหน้าคณะ แต่เท่าหัวเราะเห็นเงือกแต่ก็รับวิทยุมาโดยดีปา ก, ก็บอกว่าไม่ต้องถามร้านใหญ่ให้เสียเวลาหรอกบุญคำนำพวกนายห้างไปได้เชื่อเหรอรับรองว่าไม่มีใครตกลงไปในหลุมของต่อหรอกถ้าตกบุญคำก็ตกก่อนและถ้าบุญคำเสียท่านายห้างคิดก็รีบช่วยฉุดขึ้นมาเร็วๆกันแล้วกันอย่าทันให้บุญคำเหลือแต่กระดูก ประโยคหลังแกหันมาพูดกับพันเอกลาริคิดซึ่งฟังไม่สู้จะรู้เรื่องนะักต้องหันไปถามเบลพอหล่อนแปลให้ฟังในนั่นก็มือตบไายตาพรานเท่าเบาๆนี่ตาเท่าอย่าล้อเล่นนะพวกเรายิ่งใจไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยสภาพเรานี่ตอนนี้ทุกคนเหมือนเดินไปในสนามของกับดักระเบิดอย่างนั้นแหละโอเคพวกเราพร้อมแล้วเดินหน้าได้ เสียงสตาลีร้องบอกมาจากเบื้องหลังเมื่อเห็นหัวขบวนยังโอเออยู่สมุนมือขวาของรพินก็ก้าวออกเดินในทันทีทุกคนเดินเรียงเดี่ยวตามมาในลักษณะเข้าแถวเว้นระยะห่างกันหนึ่งช่วงแขนโดยพยายามซ้ำรอยเท้าที่เหยียบไว้ของคนข้างหน้าทุกฝีก้าวบุญคำนำเดินไปเรื่อยๆไม่ช้า และไม่เร็วจนเกินไปนักเลี้ยวเลาะไปตามพุ่มพงและพื้นที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งแกถือวิทยุไว้ในมือเฉยๆฉฉไม่ได้พูดติดต่อใดๆกับระพินทั้งสิน้นและทางฝ่ายโน้นก็ยังเงียบสงบไม่ติดต่อมาเช่นกันจากการสังเกตของฝ่ายที่เดินตามหลังอยู่จะเห็นตาเท่าบุญคำพยายามเดินเลี่ยงบริเวณที่พื้นมีใบไม้ปกคลุมอยู่ อันมีลักษณะราบเรียบผิดปกติไปซึ่งมักจะเห็นอยู่เป็นระยะสองฝาาทางที่พากันเดินเข้าแถวไปราวกะ ง, งูกินหางพลางชี้มือให้ทุกคนดูโดยไม่พูดอะไรบางขณะเมื่อมาจนมุมเอายังบริเวณที่ขวางอยู่เบื้องหน้าซึ่งลักษณะสอบพิรุษผิดปกติแต่ก็หยุดชะงือมองอย่างระแวงระวังแจไปรอบด้านบางทีก็ลงทุนนาทุกคน บุกแวกไปในพงไม้แทนที่จะอาศัยเดินทางที่ดูว่าเรียบโล่งสะดวกสบายนั้นหรือบางทีหมดทางเข้าจริงๆก็ใช้วิธีถอยหลังกลับมาตั้งต้นที่จุดใหม่เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงต่อไปดงเบื้องหน้าที่ห่างไม่เกินร้อยเมตรทั้งหมดใช้เวลาจะดฝีเท้ากันไปไม่ผิดอะไรกับเดินเข้าบริเวณสนามกับระเบิด จริงตามที่คิดพูดไว้ทำให้การคืบหน้าช้าลงไปกว่าที่ควรทั้งหมดเงือแตกสิกเมื่อระหนักได้ดีว่าทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างลงไปชีวิตแขวนอยู่แค่จมูกของมัจจุราชอันชวนสยองสุดขีดและกลายเป็นคำถามเรื่องร้าวอยู่ในใจยิ่งขึ้นว่าพรานใหญ่ระพินบุกด่านดงนี้ติดตามอะไรเข้าไปกันแน่ จนเป็นผลให้เกิดเสียงไรเฟินลั่นขึ้นสองนัดซึ่งเป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้แล้วก็อยากจะตามไปให้ถึงที่เพื่อรู้เห็นเหตุการณ์เสด็จเร็วครั้งหนึ่งระหว่างที่ผ่านไปในระหว่างพื้นผิวพื้นที่ดูว่ามีใบไม้แห้งถูกเกลี่ยวไว้เรียบราเราก็มีใครเจตนาปูเรียงไว้นั้นความขี้สงสัยและอยากรู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาของคิด ทำให้เขาสะกิดหลังบุญคำแล้วชี้มือไปยังตำแหน่งที่ห่างกันเพียงแค่วาเดียวเท่านั้นตีบุยตีบายเหมือนจะถามไม่แน่ใจว่าภายใต้ใบไม้ที่ปกคลุมอยู่นั้นเป็นโพรงของต่อหลุมจริงหรือเปล่าแต่เท้าเข้าใจเจตนานั้นดีแล้วก็เป็นคนจริงเหมือนกันจตพยักหน้ารับพร้อมกับไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปนั่งยองๆ อ, อยู่ชิดปากหลุม หากิ่งไม้แห้งอันยาวประมาณช่วงแขนดุนเท่านิ้วก้อยค่อยๆแย่ลงไปที่พื้นนั้นทีละน้อยให้ทุกคนดูปรากฏว่าแกสามารถจะแย่กิ่งไม้ยาวนั้นลงไปได้ลึกจนเกือบจะสุดมือที่ถืออยู่แสดงว่ามีหลุมหรือโพรงซ่อนอยู่ใต้เสียงปกคลุมนั้นจริงซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ามันจะลึกซักเท่าไหร่ ก็สุดปลายไม้ที่แย่ลงไปแล้วยังไม่พบก้นหลุมและตาเท่าก็ตีภาษาใบากะคิดทำนองท้าให้ก้าวเข้ามาเหยียบทดลองดูนายผมทรงลานบินทำตาเหลือกโบกมือปฏิเสธโดยเร็วพร้อมกับหอไหลลงอย่างสยดสยองของจีงน่าในห้างไม่ใช่ของที่จะมาโกหกกันเล่นเพั่วเดียวเท่านั้นแหละถ้าร่วงลงไปรับรอง นับหนึ่งยังไม่ทันถึงสิบเลยเหลือแต่กระดูนะเอาหูแนบฟังอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงของพวกมันคุยกันพึมพำแซกไปหมดอยู่นี่ไม่เชื่อม า, าลองฟังดูสิแกบอกมาเบาๆแล้วเอื้อมือมาฉุดมือคิดเพื่อให้มอบเอาหูแนบดินฟังอย่างแกนายคิดสะบัดมือโดยเร็วและล่ำละลักร้องโน no ลันแม้จะอยู่ในภาวะตึงเครียดทางอารมณ์อย่างเต็มที่ทุกคนยังอดหัวเราะ ในอาการของบุญคำกะคิดเสมีได้เอาหมดแต่ชักช้าอยู่ในบุญคำหาทางรีบไปพ้นจากบริเวณนี้ซะโดยเร็วเถอะคริสติน่าร้องเตือนมาแต่เท่าจอมโจ๊กแข่งไก้่กว้างจึงลุกขึ้นโดยทิ้งไม้ที่ค่อยๆบันจงแย่ลงไปให้ติดคาอยู่ในลักษณะเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไหวตัวกระตกกระตากจากไอพวกต่อหลุม ซึ่งยังสงบกันอยู่ใต้พื้นดินแล้วก็ย่องนำต่อไปบัดนี้ฝ่ายอเมริกันทั้งสี่และแม้แต่เชิดบุตรก็ไม่ต้องการจะอยากรู้อยากเห็นหรือพิสูจน์เกี่ยวกับสัต์ร้ายใต้แผ่นดินที่อยู่กันเป็นหลุมนั้นอีกต่อไปมีความคิดแต่จะผ่านพ้นบริเวณพวกมันไปซะโดยเร็วเป็นเวลาเกือบสิบนาทีเต็มเม บุญคำจริงถอนใจออกมาได้โล่ง อ, อกเมื่อมาหยุดยืนอยู่ใกล้เคียงกับชายโดงทึบละเห็นมืดทะมืนอยู่ข้างหน้าขณะนั้นเองเสียงระพินก็ดังมาจากวิทยุทุกเครื่องที่ประจำตัวแต่ละบุคคลอยู่ในขณะ น, นี้มาถึงไหนกันแล้วทำไมถึงได้ชานักละ่ะทั้งหมดไหวตัวด้วยความตื่นเต้นยินดีทันทีบุญคำยกวิทยุในมือขึ้นนาย ตอนนี้บุญคำพาพวกหนายห้างพ้นบริเวณต่อหลุมมอกมาแล้วแหละแต่ยังไม่เห็นดงต้นรังตังช้างไม่รู้จะตัดเข้าไปทางด้านไหนดีตอนนี้นายอยู่ที่ไหนละ่ะเสียงจุปากลั่นมาแล้วกันสงสัยจะเดินตามมาผิดเส้นทางใชแล้วลบุญคำถ้ามาตามที่ฉันบอกจะผ่านบริเวณต่อหลุมเพียงไม่กี่หลุมเท่านั้นแหละ และส่วนใหญ่จะเป็นดงรังตังช้างเห็นเต็มพืชไปหมดนี่แปลว่าเดินเฉียงไปทางด้านตะวันออกแล้วสิตาเท่าทำหน้าเลึกหลักแงนมองดูตะ ว, วันกลางฟ้าเหมือนจะหาทิสตสเตลีก็รีบพูดโดยเร็วโดวยขอวิทยุไปจักมือเชิดบุตรระพินนี่ผมพูดนะเราใช้เวลา น, านานมากในการผ่านบริเวณของต่อหลุมซึ่งพบอยู่มากมายเต็มไปหมด บุญคำพาเดินผ่านปากหลุมของมันไปแต่ละหลุมทีเดียวไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบหลุมขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราตามรอยคุณได้เฉพาะขนาดที่เดินลงเนินเท่านั้นพอมาถึงที่โลง่งคำหาอะไรไม่พบแล้วนอกจากบุญคำจะพยายามหาทางเองจากคำบอกเล่าของคุณผมบอกเขาแล้วว่าให้ยึดด้านเหนือตลอดนี่แปลว่าคงจะเบี่ยงออกทางตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่เป็นไรก็ใกลยๆอย่างแค่นี้เองใจเย็นๆไว้บุญคำประโยคหลังเขาเรียกคนของเขาครับนายจะอยู่ไหนก็ตามนะขณะนี้ให้หันหน้าเข้าดงทำมุมให้ตรงกระทิศเหนือจะเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสูงโดดเดี่ยวกว่าทุกต้นพุ่มด้านบ น, นแบ่งเป็นสามพุ่มเหมือนฉัดเห็นยังเห็นแล้วนายเห็นแล้ว นั่นแหละตัดตรงไปที่ตำแหน่งได้เลยฉันกำลังยืนอยู่ที่ปลวกใหญ่ริมทางด่านห่างจากโคนต้นไม้นั่นไม่มากนักนะพอมาถึงก็จะเห็นกันเองไม่ต้องรีบด่วนเกินไปนักนะช้าเร็วแค่ไหนก็สุดแต่ทางที่บุญคำจะบุกเข้ามาแล้วกันนการนานห้างบุญคำรู้จุดหมายแน่นอนแล้วบุญคำร้องออกมาอย่างยินดี โบกมือแล้วออกนำอ้าวตรงไปยังจุดหมายนั้นทันทีหนทางที่ตักผ่านไปนั้นมีใบไม้ประเภทเป็นพิษคันอย่างรุนแรงขึ้นอยู่ปรากปลายกระชี้คณะทุกคนดูและเตือนให้ระวังไม่ให้เฉียดเข้าไปใกล้และชั่วไม่นานทั้งคณะก็เหยียบเข้าสู่ชายดงทึบอันครึมสลัวเต็เมไปด้วยเถาวัลย์และไม้ใหญ่น้อยประเภทบญจพันธ กิ่นของใบไม้หน้าที่โถมทับกันชั่วกับชั่วกันทำให้รู้สึกตะครั่นตะครอและอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกจำพวกเห็ดรามองเห็นขึ้นอยู่ตามพื้นและโคนไม้ทั่วไปบุญคํานาบุกไปตามกองใบไม้ที่สุงมกันหนาถึกพอเดินย่ำก็จมเกือบถึงเ่านั้นไปเบื้องหนะ้าพร้อมกับร้องวูวูไปตลอดทางไม่ดังนะัก ครูเดียวก็ได้ยินเสียงตอบมาจากวิทยุว่าอย่าร้องเป็นชนีอยู่งั้นเลยบุญคำจิ้นอยู่ตรงนี้แหละซ้ายมือข้างจอมปลวกใหญ่ไงทุกคนหันขวับก็มองเห็นร่างของสุภาพบุรุษไพร ย, ยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงมูลดินสูงตำแหน่งหนึง่งไม่ห่างออกไปเท่าไหรนะ่นักต่างอุทานออกมาด้วยความดีใจพรูกันเข้าไปทันทีพร้อมกระรองทักจอมพามคนไรเฟินไว้ในแขนข้างหนึง่ง สีหน้าเขายังอยู่ในอาการปกติยากที่จะอ่านได้เหมือนเคยแต่ในขณะที่ทั้งหมดพากันตรงเข้าไปรายล้อมนั้นเขายิ้มให้นิดนึ่งมองสำรวจดูคนเหล่านั้นซึ่งเห็นชัดว่ามีรีรอยของการหัวร่างข้างแตกถลอกบอกเปิกและเสื้อผ้าก็ขาดกันกระรุ่งกระริ่งแทบทุกคนแม้กระทั่งบุญคำเองแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรทั้งสิ่งเพราะได้ทราบข่าวความฉุกกระหุ ที่พวกนั้นเผชิญหน้ากับไอ้งาดำจากการโต้อตอบทางวิทยุล่วงหน้าแล้วบริเวณที่ระพินยืนรอยอยู่นอกจากเบื้องบนสูงขึ้นไปซึ่งถูกบดบังไว้ด้วยกิ่งไม้ขนาดใหญ่คลุมเป็นหลังคาอยู่แล้วมันเป็นดงของต้นไม้ชนิดหนึ่งมีขนาดลำต้นไม่สูงใหญ่นักขึ้นอยู่เป็นดงก่อนที่ใครทุกคนจะได้เ อ, อ่ยคาใดออกมา พรายใหญ่ส่งกระติกน้าส่วนตัวของเขาไปให้สองสาวก่อนเหมือนจะรู้ใจอยู่แล้วคริสติน่าเป็นคนรับมาเป็นคนแรกแต่ส่งไปให้เบลก่อนแม่ผมแดงพึงพมพำอะไราออกไปจากลําคออันแห้งผากแล้วกรอกน้าดื่มสามสี่อึกจากนั้นคริสติน่าจึงรับไปดื่มกล้วคอเล็กน้อยต่อมาจึงส่งเวียนมายังคีิสแตลีและเชิดบุตรซึ่งดื่มกันพอประทังกระหายเท่านั้น ความเหน็ดเหนื่อยความร้อนผสมกับความเกรงอันเกิดจากที่ต้องระมัดระวังตัวกันทุกฝีก้าวย่างขณะเดินผ่านเขตตอหลุมทําให้คนเหล่านั้นอิดโรยเหนื่อยอ่อนแทบจะหมดแรงโชคดีมากครับที่พวกท่านทุกคนไม่ได้รับอันตรายมากมายอะไรขณะที่ถูกกลิ้งก้อนหินเข้าใส่เขาเอ่อยยิ้มยิ้มขึ้นเป็นประโยคแรกแล้วก็โชคดีมากที่สุดครับที่พวกเราได้มาเห็นคุณ ในสภาพปกติเรียบร้อยทุกอย่างทายหลังจากได้ยินเสียงไรเฟิลสองนัดแล้วก็เงียบฉี่ไปเลยเรียบวิทยุก็ไม่ได้รับตอบเอาละเพื่อนยากเดี๋ยวนี้เราก็มาตามมาพบคุณพร้อมหน้าแล้วพร้อมทั้งปัญหามากมายเหลือเกินที่ต้องการจะรู้จักคุณหัวหน้าคณะพูดโดยเร็วจ้องหน้าเขาเขมงทุกคนเห็นกิ่งไม้สดสดที่ถูกโยนลงไปแช่อยู่ในแอง บนเนินนั่นแล้วใช่ไหมครับใช่เราเห็นคีดบอกขอบขอบเปาลมออกจากปากไล่ความอบุบอ้าวภายในดับพินไทยวันไม่กล่าวอะไรในขนาดนั้นหากแต่ชี้มือเป็นมุม45องศาจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ขึ้นไปยังกิ่งตอนบนของต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ห่างออกไปนักทั้งหมดเหลียวตามแล้วจ้องอุทานออกมาเบาๆว่า กิ่งไม้มีรอยหักสดๆทุกคนเห็นกิ่งไม้สดๆที่ถูกโยนลงไปแช่อยู่ในแองบนเนินนั่นแล้วใช่ไหมครับใช่เราเห็นคีบบอกรขอบเป๋าลลมออกจากปากไล่ความอบอ้าวภายในดับพินไทยวันไม่กล่าวอะไรในขนาดนั้นหากแต่ชี้มือเป็นมุม45องศาจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ขึ้นไปยังกิ่งตอนบนของต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ห่างออกไปนะัก ทั้งหมดเหลิวตามแล้วจ้องอุทานออกมาเบาๆว่ากิ่งไม้ไมีรอยหักสดๆระพินออกเดินนําทุกคนตรงไปยังโคนต้นต่างตามกันเข้าไปทั้งหมดพร้อมกับแงนดูยางบางส่วนของมันยังหยดลงมาที่พื้นเบื้องล่างรอยกิ่งหักหรืดฉีกกระชากหลุดไปจากลำต้นนั้นเป็นกิ่งแยกสาขาของแกนลำต้น มีขนาดเกือบเท่าโคนขาอ่อนแสดงว่าเป็นกิ่งใหญ่แข็งแรงมากเมื่อรพินนำมาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นโดยใช้มือกันไม่ให้ใครเข้าไปยืนอยู่ใต้บริเวณหักซึ่งยังมีน้ำยางหยุดอยู่นานๆครั้งเขาใช้ไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือจับโคลนผ่านท้ายไว้แล้วชูสูงขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ถูกหักให้ทุกคนเห็นซึ่งปรากฏว่าภายหลังเมื่อ ส่งไรเฟิลวัดเทียบขึ้นไปแล้วมันมีระดับสูงกว่าอีกตั้งสามสี่ฟุตแตลีเอามือลูบปลายทางแงนดูคนอื่นๆก็จ้องขมวดคิ้วแล้วหันมาจับที่หน้ารานใหญ่เป็นตาเดียวถ้าหากว่าเราจะไปเอากิ่งไม้ที่พวกคุณทุกคนมองเห็นทิ้งแช่น้ำอยู่ในแอ่งน้ำบนเนินกิ่งนั้นนำกลับมาตอกรอยหักของกิ่ง ต้นนี้ก็จะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามันเป็นกิ่งเดียวกันมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งภาษาทางพฤกษศาสตร์เขาจะเรียกว่าอะไรผมไม่ทราบแต่ทราบและคุ้นเคยกับมันดีว่ามันเป็นไม้ที่มียางมากและยางของมันก็เป็นพิษเบื่อเมาอย่างรุนแรงที่สุดตำแหน่งที่เราเห็นรอยหักอยู่นี่ก็ดี หรือลักษณะที่มันถูกนำไปทิ้งแช่น้ำในอ่างก็ดีเป็นระยะเวลาสดๆร้อนๆไม่เกินชั่วโมงมานี้เองครับจอมพรานบอกกับทุกคนซึ่งยังยืนอึ응้งงุนงงกันอยู่ชนิดไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกใครเป็นคนมาหักกิ่งไม้นั่นและนำไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ำนมันเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ไม่น้อยทีเดียว และระดับจากที่พวกเรายืนอยู่นี่ก็สูงมากกล่าวว่าประมาณเกือบสิบฟุตจากระดับพื้นอะ่ะอิสเบนครางออกมาและมันก็ต้องมีแรงอย่างมาหาศาลด้วยกนะิ่งไม้น่ะมันไม่ใช่เล็กๆนะ่ะคริสตินา่าพุออกมาเร็วปรือแทนทันตอบและพิงชี้ให้ทุกคนดูที่พื้นรอบๆ บ, บริเวณซึ่งครั้งแรกยังไม่ทันมีใครสนใจสังเกตเห็น จากรอยใบไม้ยุ่ยอ่อนนุ่มที่ทับถมกันมานานปรากฏหลุมรอยตีนช้างขนาดมันืมาตัวหนึ่งย่ำมาเป็นทางทั้งหมดอุทานออกมาเป็นคำเดียวกันอีกอย่างตกใจขณะที่พวกท่านวิทยุบอกผมมาเมื่อครู่นี้ว่าทุกท่านมองเห็นไอ้งอาดาแล่นสวนลงไปโดยยืนยันว่ามันเป็นช้างขนาดใหญ่เหลือเกินผมเองยังไม่มีโอกาสได้เห็นตัวมัน แต่ก่อนออกเดินทางมาครั้งนี้ผมก็เคยบอกกับท่านไว้แล้วว่ารอยเท้าช้างขนาดที่คนจะลงไปนั่งขัดสม่าทได้ของดงที่เราจะเดินผ่านไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วพวกท่านก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันนะเดี๋ยวนี้นอกจากไอ้เงาดาที่เห็นแล้วรอยเท้าที่เห็นอยู่นี่หวังว่าพวกท่านคงจะเชื่อสักทีบุญคาลงลงไปนั่งขัดสม่าในรอยตีนนะสิ ประโยคหลังเขาหันไปสั่งคนของเขาแต่พรานเท่าสมุนขวากระโดดลงไปนั่งขัดจมัดตรงรอยตีนช้างที่เห็นฝังจมอยู่ในกองใบไม้นั่น ท, ทันทีปรากฏว่าตัวของแกพลุบลงไปตามรอยที่ย่ําไว้นั้นจนถึงเอวและแกก็รีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาโอ้โหหัวหน้าคณะร้องออกมาเบิกตากว้างมองรอยนั้นขมิง้งแล้วเงยหน้าขึ้นไปยังตำแหน่งกิ่งไม้หักนั่นอีกครั้ง กรพินไ่คุณหมายความว่าไอ้งาดำที่แล่นสวนเราลงไปเมื่อครู่นี้มันมาหักกิ่งไม้มีพิษที่นี่และนำลงไปแช่ทิ้งไว้ในแอ่งน้ำนั่นเหรอจอมพลางกระดูกปลายลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากด็กเตอร์ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นไอ้งาดำหรือเปล่าแต่จากร่องรอยที่เห็นอยู่นี่ บอกได้ว่าเป็นช้างใหญ่ตัวหนึ่งก็เจ้าของรอยตีนที่เห็นอยู่นี่แหละครับได้มาหักกิ่งไม้มีพิษต้นนี้และใช้งวงจับกิ่งที่หักขึ้นนําขึ้นไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ําบนเนินเพื่อทําน้ําแอ่งนั้นให้กลายเป็นพิษใช้ดื่มกินไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์จนกว่าพิษจะจางหมดไปเป็นการวางยาเบื่อเราหรือใครก็ตามที่ผ่านมาตามเส้นทางนี้ เป็นการกระทาที่เต็มไปได้วยแผนชั่วร้ายซึ่งธรรมชาติของช้างธรรมดาจะทำไม่ได้นอกจากจะมีอะไรดินใจบังคับอยู่และขณะที่มันมาหักกิ่งไม้นี่จนกระทั่งนําขึ้นไปทิ้งแช่ไว้ในแอน่งจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งนั่งอยู่บนคอมันและบังคับมันเหมือนควานที่บังคับช้างอะไรสักอย่างหนึง่งคุณหมายถึงอะไรระพิน คริสตีนาเบ์และเชิร์ดบุธถามพรวดขึ้นพร้อมกันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวผมจะนำมันไปให้ท่านดูนะครับและเจ้าสิ่งนั้นนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเสียงไรเฟิลสองนัดของผมที่พวกท่านได้ยินผมแน่ใจว่าผมจับหรือหยุดมันไว้ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะคยพวกท่านได้มาเห็นกตาเป็นหลักฐาน เชครับอยู่ใกลใ้ๆแค่นี้เองตามผมมาครับกล่าวจบเขาก็ทิ้งบุหรี่ลงกับพื้นใช้ทอบเดินต่าขยี้ดับแล้วเดินนำออกจากบริเวณคนไม้ต้นนั้นเข้าสู่เส้นทางด่างพอพ้นเงาพุ่มไม้บังเท่านั้นทั้งหมดที่ตามกันมาเป็นขบวนก็มองไปเห็นสิ่งหนึ่งชนิดที่ทำให้ทุกสายตาที่แลไปพบถึงกับผงาดหลัง หยุดชะงักกึกกันไปหมดราวกันนัดกันไว้พระอาหารหันต์สิงเชิดวุธอุทานออกมาดังไม่เกินกระสิกอะไรชนิดหนึ่งและดูผาดผาดในครั้งแรกเหมือนท่อนไม้เก่ากานอนคว่มหน้าอยู่กลางทางด่านแต่เมื่อจ้องพินิจก็เห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนซากของมนุษย์ที่อาบยาวไว จนแทบจะกลายสภาพเป็นหินดูเหมือนจะมีอาพรห่อหุ้มร่างอยู่บ้างเหมือนกันแต่ในยามนี้ก็ได้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับซากซะแล้วดูไม่ผิดหินสลักขณะนี้ทั้งหมดเดินตามระพินเข้ามาเห็นนั้นมันห่างแค่สามสี่วาเท่านั้นบุญคำตาเหลือกร้องวากออกมาทำกลางความเงียบสงัด ส่วนอเมริกันทั้งสี่คนอยู่ในภาวะตลึงไอไอไอผีนรกตัวนั้นคริสติน่าหลุดปากอุทานออกมาจากริมฝีปากที่เพเยอะขมุบขมิบระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งกับที่จอมพรานเดินช้าๆเข้ามาหยุดอยู่ที่ร่างอ น, นอนคว่ำหน้าดุดท่อนไม้นั้นแลพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทุกคนเข้ามาใกล้ ทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาล้อมวงดูด้วยความประหลาดใจงุนงงขีดสุดคริส <Chris. S 1> คุณบอกกับผมว่าคุณพอจะจำหน้าและลักษณะของมันได้ใช่ไหมเขาเอ่ยขึ้นเบาๆมองไปยังคริสติน่าและดอกเตอร์สแตนลีย์ผู้ที่เคยประจันหน้ากับไอ้ผีดิบซึ่งนับอายุไม่ได้ตนนั้นแล้วมาหยกยกเมื่อคืนม่เดี๋ยวผมจะพลิกด้านหน้าของมันขึ้น เพื่อให้คุณตรวจดูแต่ผมแน่ใจว่ามันคงจะเป็นตัวคนละตัวกับที่เข้าไปอาราวาสในแคมป์เมื่อคืนนี้คริสตินา่าสแตนลีและทุกคนจ้องเขม็งคุณคำเองถึงกับกระโดดเข้าไปนั่งยองๆดูซากนั้นอย่างพินิษฐที่ท่วนที่สุดท่าทางของตาพรานเท่าประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเงยหน้าขึ้นมองระพินแล้วก้มลงดูซากนั้นสลับกัน พ, พึมพำออกมาเบาๆเป็นภาษากระเหลียงว่านายบุญคำว่ามันคนละตัวกันกับที่เราพบเนี่ยไอตัวนี้มันเตี้ยสั้นกว่าเครื่องแต่งตัวก็ผิดกันไปคนละอย่างนานายระพินชัยสายตาปรามสมุนขวาของเขาวไวไม่ให้พูดอะไรทั้งสิ้นและตัวเองก็ยังไม่พูดคำใดความต่งเต้นของคณะนายจ้างทาให้ต่างไม่ทันสังเกต หรือมิฉะนั้นก็มองข้ามไปซะว่าเมื่อยกยกนี่บุญคำส่งภาษาอะไรกับพรานเท่ามีรอยเจาะของกระสุนที่ข า, าพับด้านหลังทั้งสองข้างอิสเบนร้องขึ้นเชียพักพวกดูรอยทะลุของรูกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ยังบริเวณข า, าพับของตวกนั้นปากแผลกลมดิกเหมือนกระสุนทะลุเข้าไปในขอนไม้ น, นั่น แต่ขณะ น, นี้ทุกคนยังไม่เห็นว่ารอยทะลุออกด้านหน้าซึ่งจะตรงกับสบ้าหัวเข่าพอดีจะอยู่ในสภาพเช่นไรเนื่องจากทราบยังคว่มหน้าอยู่คิดสะบัดหน้าเหมือนจะไล่ความมึนงงทำให้แก้มโ ป, ป่งเตาลมพรวกจากปากส่วนหัวหน้าคณะควักซิก้าออกมาข้างเรเห็นจะได้คำตอบและกระมังครับ ว่ากระสุนไรเฟิลสองนัดที่พวกเราได้ยินเกิดจากอะไรคุณยิงมาที่ไอ้ผีดิบตัวนี้ใช่ไหม ย, ยิงตามหลักเกมที่คุณสอนเราไว้คือตัดที่ข้อพับตามแขนขาหรือทำลายส่วนสีสษะของมันใช่ไหมระพินระพินก้มสีสักลงใช่ครับสองรูที่เห็นอยู่นั่นคือเสียงไรเฟิลสองนัดของผมครับ นี่ก็แปลว่าขณะที่คุณยิงมันกำลังเดินหรือเคลื่อนไหวอยู่และหันหลังให้คุณตัวดูจากบาดแผลรูกระสุนที่มันเจาะจากด้านหลังคิดถามเร็วหรือถูกต้องครับผมยิงเพื่อให้มันหยุดในขณะ ท, ที่มันกำลังเดินหนีเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะหยุดมันลงไดน้นัดแรกเข้าข้อพับด้านซ้ายมันเพียงแต่สุดแล้วก็ยังพยายามจะลากตัวไปอีก นัดสองจึงตัดเข้าที่ ข, อข้อพับด้านขวาก็เหมือนั้นแหละครับมันถึงได้คว่มหน้าทังภาพอยู่ในลักษณะที่ท่านเห็นอยู่นี่และเมื่อผมเข้ามาตรวจดูก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าซากของอดีตมนุษย์โบราณมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้แกล่งๆท่อนหนึ่งไม่มีสัญญาณใดๆจะสอว่ามีชีวิตเลือดเนื้ออย่างคนธรรมดาเลยการยิงของผมเพียงแต่ทาให้มันล้มลง และไม่สามารถจะใช้ขาได้อีกเท่านั้นเพราะกระดูกสะบ้าหัวเข่าแหลกไม่มดทางที่จะเคลื่อนไหวต่อไปได้มันก็กลายเป็นซากปริศนาให้พวกเราเห็นอยู่อย่างนี้เอาล่ะครับก่อนอื่นผมจะพลิกด้านหน้าของมันให้พวกคุณดูนะครับจบคําพูดระพินก็พยักหน้ากระบุญคาเป็นความหมายแต่พรานเท่าก็พลิกซากนั้นให้หงายขึ้นทันที โดยใช้่านท้ายไรเฟิลงัดซึ่งสภาพของมันดูไม่ผิดอะไรกับการงัดท่อนสูงพอสากนั้นหงายขึ้นในลักษณะแข็งถือทุกคนก็จ้องตะลึงอีกครั้งทรงหน้าประดุดหินนั้นตอบเรียวแหลมมีเส้นผมซึ่งบัดนี้จับเป็นก้อนแข็งประดุดเส้นผมของภาพนั้นปรกเป็นผมหน้าม้า จับอยู่บนกระโหลกหน้าผากตาลึกโหลปิดสนิทและดูประหนึ่งว่าจะไม่มีการเปิดขึ้นมาเลยตลอดช่วกับชั่วกันลักษณะของเครื่องแต่งกายที่หฮงคลองอยู่เหมือนพวกนักบวชมีสร้อยประคำคล้องคอซึ่งบัดนี้สายประคำนั้นก็เกาะติดแน่นตายตัวอยู่กับแผ่นอกของซากเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในซากนั้นเป็นความเก่าแก่ที่หาอายุไม่ได้ และท้าทายความรู้ของนักโบราณศว์หรือนักมนุษยวิทยาเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะมีความใหม่ที่แปลกปลอมอะไรออกไปบ้างก็เฉพาะรอยกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของระพินที่ทะลุจากขาพับด้านหลังแวกออกทางด้านหน้าทำให้กระดูกสะบ้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังแห้งเกราะสีน้ำตาลกระจุยแตกเป็นสเก็ตออกมาจากบาดแผล เป็นผลทําลายกระดูกสําคัญของขาให้แหลกพินาศไม่อาจทรงตัวยืนอยู่ได้คนละตัวกันแน่เลยนายบุญคำจำนายตัวนั่นได้นี่มันอีกตัวหนึ่งบุญคำเผลอตัวร้องลั่นออกมาอีกเป็นภาษากระเรียงคนแกวอย่างไงนะหัวหน้าคณะถามขึ้นทันทีระพินอึ้งไปครู่ มีความรู้สึกอยากจะซัดบุญคำให้สักปาดที่ปากเปราะแล้วก็บอกกับทุกคนของฝ่ายในจ้างว่าอย่าเพิ่งสนใจเลยครับประบุญคำพูดอะไรแกก็โวยวายโวยโวา ย, ว ย, วยไปตามภาษานั่นแหละพวกคุณสามคนผมหมายถึงด็อเตอร์สแตนลีย์คริสติน่าแล้วก็เบลได้เห็นไอ้ผีดิบลึกลับตัวนั้นเมื่อคืนนี้อย่างถนัดมาก่อนแล้วเราช่วยกันพิจารณาดูสิครับ ว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าสําหรับคริสติน่าถ้าแน่ใจว่าเมื่อคือนนี้คุณยิงถูกมันก็ลองตรวจดูบาดแผลตามซากด้วยว่าจะปรากฏอยู่หรือไม่ไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบรอยกระสุนของฉันเมื่อคืนนี้หรอกคุณคริสติน่าเม้มริมฝีปากแน่นตอบด้วยเสียงแหบพร่าด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายเจ้าซากนั้นตาไม่กระพริบ ฉันจำไม่ตัวเมื่อคืนนี้ได้ติดตามันเป็นคนละตัวกับไอ้ตัวนี้จะ ต, ตัวนั้นอะมันสูงใหญ่กว่านี่อย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งฟุตละ่ะลักษณะแต่งกายเหมือนพวกนักรบไอ้ตัวนี้น่ะมันเล็กกว่าการแต่งกายก็ผิดกันออกไปใช่ไหมคะจายนเบละ่ะจะจําได้ปะประโยคท้ายหล่อนหันไปหารือกับหัวห น, านา้าคณะกับเพื่อนสาวสําหรับคิดและเชิดวุฒนั้นไม่อาจยืนยันได้ พระมองเห็นภาพเมื่อคืนไม่ถนัดนะักจึงพากันยืนงนันนิ่งอยู่สแตลลีกับเบร์จ้องซากอย่างพิเคราะห์แล้วก้มศีสะลงอย่างเห็นด้วยถูกแล้วมันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนพระเจ้าอะไรกันนี่ไอตัวมัมมี่ชนิดนี้มีจำนวนมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปยังงั้นเหรอสุภาพบุรุษไพยหัวรอ้อฮึ ในลำคอควักผ้าขนหนูจากอกเสื้อมาเช็ดหน้าอันมันย่องไปด้วยเหงื่อและฝุ่นละอองของเขาผมตอบไม่ถูกในข้อนี้ครับแต่เดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูอีกอยากจะพวกท่านได้มาเห็นซากนี่ซะก่อนแล้วขอความเห็นคำยืนยันว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ากับที่เข้าไปอารวาดในแคมป์เราเมื่อคืนเพราะผมก็สังหรว่ามันจะ คนละตัวกันแต่เดี๋ยวนี้สามคนที่เห็นมันอย่างถนัดที่สุดก็ยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นคนละตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับแน่นอนมันเป็นคนละตัวกันแน่ทั้งสามยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอากาศกิริยาของมริกันทั้งหมดและเชิดบุตรเลิกหลักไปหมดนี่คุณบอกให้เราฟังให้ละเอียดก่อนดีกว่าว่ามันไปยังไงไมายังไง ระหว่างคุณกับไอ้มอนสเตอร์ตัวที่สองเนี่ยสแตนลี Stanley ถามทันทีดรครับผมขึ้นมาตรวจดูที่แอ่งน้าบนเนินนั่นเพราะรู้สึกสังหรนอะไรบางอย่างครับเขาเล่าง่ายๆตาทั้งคู่รีลงมองจับอยู่ที่ซากประหลาดนั้นตลอดทางที่ไต่ขึ้นมาซึ่งทุกท่านที่เฝ้าจับมองผมอยู่ข้างล่างไตเนินนั่น ก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่าผมยังไม่ได้ระแคะระคายกระตุกกระตากอะไรทั้งสิน้นผมไม่รู้สึกตัวเลยว่าไอ้งาดำหนาแฝงตัวแอบซุ่มอยู่และมันจะต้องมองเห็นผมขณะที่ไต่ขึ้นไปบนเนินอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามีอะไรสักอย่างหนึง่งบังคับให้มันสงบนิ่งอยู่เท่านั้นแล้วคอยจ้องจะเล่นงานเฉพาะพวกท่านตรงที่ไต่ตามผมขึ้นไปอย่างที่เล่าให้ฟังแล้ว เมื่อขึ้นมาถึงบริเวณแอ่งน้ําผมเห็นว่ามีกิ่งไม้อันมียางเป็นพิษถูกแช่อยู่กลางแอ่งทําให้น้ํากลายเป็นพิษเบื่อเมาไปหมดลักษณะของกิ่งไม้มันก็ยังสดสดอยู่มีร่องรอยว่าเพิ่งถูกหักมาจากที่ใดที่หนึง่งและเพิ่งจะถูกนํามาโยนแช่ไว้ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าใครเป็นผู้นํากิ่งไม้มีพิษนั่นมาโยนไว้ในแอ่งน้ําซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยดื่มกิน และนำมาทิ้งไว้ได้ยังไงเนื่องมาจากเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียวเกินกำลังคนธรรมดาที่จะลากมาได้ขณะที่ผมกำลังเดินตรวจรอยอยู่นะ่ะ<ม>ก็ได้ยินเสียงกรวดบนพื้นดินไหวทางซอกขิงทางด้านเหนือของเนินผมก็ตามเข้าไปทันทีพอรับก้อนหินก็เห็นไอ้ซากนี่แหละครับมันเดินตัวปลิวเหมือนมนุษย์ธรรมดากาลังบ่ายหน้าลงเนิน ผมจะยิงมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครก็ขเข้าใจว่าอาจจะเป็นพวกคนป่าแถบนั้นถึงได้ออกสาวรอยตามันไปทันทีมันเดินมากเร็วมากครับเดินหนีผมลงจากเนินผมก็ตามไปทุกระยะมันตัดมาทางด้านเหนือของเนินลูกนั้นแล้วก็จาเดินอย่างชนิดไม่ยอมเหลียวหลังเลยผมก็ตามมาทุกระยะ แล้วก็มารู้ตัวว่ามันแกล้งเดินฝ่าเข้าไปในโดงต่อหลุมเพื่อจะล่อให้ผมตกลงไปในหลุมของสัตว์อันตรายเหล่านั้นบางเงิญผมสังเกตเห็นความผิดปกติของพื้นที่บริเวณนั้นจึงหลีกหลบไปได้แล้วมันก็เดินฝ่าเข้าไปในโดงของรังตังช้างทำให้ผมต้องเสียเวลาหาทางหลีกหลกจากโดงไม้มีพิษคันอย่างรุนแรงนั้นอีกการติดตามจึงทอดระยะห่างออกไป แต่ก็ยังพอจะสังเกตเห็นหลังกันได้ไวๆมันนะไม่กลัวต่อพิษของใบรังตังช้างสามารถเดินฝ่าเข้าไปได้อย่างสบายส่วนผมต้องคอยเลี่ยงหลบใบไม้อันตรายพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้จุดประสงค์ของมันทันทีว่ามันเจตนาจะเดินลอบผมก็ไปสู่ความพินาศแล้วในที่สุดมันก็ไปหลบรอดูท่าทีผมอยู่ในโดงนี่แหละ ผมตามเข้ามาทันแกะรอยเท้ามันได้อีกพบต่อยเข า, ม, ามันก็พละจากหลังคนไม้ที่หลบอยู่ออกเดินหนีอีกซึ่งผมพิจารณาเห็นว่าถ้าขืนเดินตามต่อไปก็จะมีอันตรายเพราะไม่รู้ว่ามันจะล่อผมเข้าไปสู่ภัยหรือกับดักอะไรอีกก็เลยตัดสินใจหยุดมันด้วยลูกปืนนัดแรกที่ขาพับด้านซ้ายมันซุดลงเพราะเสียหลักเนื่องจากกระดูกสบ้าแหลกทรงตัวไม่ได้ แต่ไม่มีเสียงร้องรู้แสดงอาการเจ็บปวดอย่างใดทั้งสิน้นพยายามจะตะเกียกตะกายลากขาต่อไปนัดที่สองผมจึงต้องยิงตัดมาที่บานทับด้านขวาอีกครั้งก็เหมือนนั้นแหละครับมันถึงได้ความหน้าเหยียดยาวลงกับพื้นทางด่านลักษณะที่มันนอนอยู่ก็เหมือนอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาเห็นกระตาหยกๆนี่แหละผมยังไม่ได้เคลื่อนซาก ข, ของมันอย่างใดทั้งสิน้น พอเห็นมันล้มลงผมก็วิ่งเข้ามาหมายที่จะซ้ําแต่ปรากฏว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเมื่อข้าวมาใกล้ชิดตัวผมก็เห็นสภาพของมันเป็นแค่ท่อนไม้หรือท่อนหินแท่งหนึ่งเท่านั้นไม่มีลักษณะใดๆที่จะสอว่ามีชีวิตหรือวิญญาณเลยรอยกระสุนของผมที่เจาะทะลุก็เหมือนกับรอยกระสุนที่ยิงเข้าไปหาท่อนไม้แต่อันเนื่องมาจากภายในของมัน ครั้งหนึ่งเคยเป็นกระดูกของมนุษย์กระดูกสบ้าตรงหัวเข่าจึงแหลกละเอียดด้วยแรงประทะของหัวกระสุนนั่นคือสาเหตุที่ทําให้มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ต่อไปได้จึงล้มคว่ำอย่างหุ่นยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งหลักฐานใดๆให้ค้นพบมากไปกว่าศพที่คํานวณอายุไม่ได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ทุกคนอ้าปากค้างฟังเขาพูดจนจบแล้วก็ครางแสร็ นรกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกทั้งนี้แหละเสียงนายคิดร้องโวยวายออกมาผมทราบดีครับระพินกล่าวรีบๆต่อไปว่าเสียงไรเฟิ้นของผมสองนัดคงจะทำให้พวกท่านสงสัยหรือวิชนั้นก็แตกตื่นตกใจและคงจะซักถามผมทางวิทยุ ผมพยายามควานหาวิทยุที่เน็บติดเอวอยู่อีกตอนนั้นก็พบว่ามันตกหายไปเมื่อไหร่ไม่ทราบได้และการที่ผมไม่ได้ตอบทางวิทยุก็คงจะยิ่งทําให้พวกท่านร้อนใจกันมากทางด้านผมก็มัวแต่เดินงมหาวิทยุอยู่ทางด้านท่านตามที่บอกมาให้ฟังก็คงจะวิ่งสวนขึ้นเนินมาและสักพักใหญ่ๆที่ผมเดินหาวิทยุอยู่ก็พอดีได้ยินสัญญาณออดเรียกจากมัน ซึ่งก็เป็นการเรียกจากพวกท่านนั่นเองเสียงออดสัญญาณทำให้ผมตามไปพบว่ามันตกอยู่ชายดงและเมื่อนั้นเองที่ผมค้นพบวิทยุและตอบพวกท่านไปได้ครับเหตุการณ์มันก็เห็นจะประสานกันได้แล้วหละนะเชิด ว, วุดเอ่ยขึ้นกับฝ่ายเมริการทุกคนระหว่างทางด้านเรากับทางด้านคุณระพินขณะที่เขาตามไอ้ผีดิบตัวนี้มาและยิงตัดขาทั้งสองข้างของมัน พวกเราได้ยินเสียงไรเฟิลก็ตกใจเรียกวิทยุก็ไม่มีคําตอบเพราะคุณรพิน์ก็มัวแต่ทําวิทยุตกหายพวกเราจึงวิ่งตามขึ้นไปบนเนินซึ่งในขณะนั้นคุณรพิน์ก็มาอยู่ที่โดงนี่แล้วและตอนที่เราตามขึ้นไปนั่นเองไอ้งาดําที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ได้สัญเดงตนขณะที่คุณรพิน์ผ่านขึ้นไปก่อนก็เล่นงานฝ่ายเราทันทีโดยการกลิ้งหินเข้าใส่ ผลลำดับเหตุการณ์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับพายหลังจากขมวดคิว้วนิ่งคิดกันอยู่ครู่เดียวทั้งหัวหน้าคณะคริสตินาอิสเบรและคิดก็พยักหน้ารับก็คงไม่หนีเหตุการณ์ที่คุณว่ามันนั่นหรอกวุฒคริสติน่าพูดเสียงแบวต่ำแล้วหันกลับไปมองทางกิ่งไม้ของต้นที่มีรอยหักชี้ชี้ไปที่นั่นกระพิน คุณพบเห็นกิ่งไม้ที่มีรอยหักนั่นตอนไหนน่ะก็ต่อมาเพียงครู่เดียวแล้วครับระหว่างที่ผมกําลังค้นหาวิทยุมันบังเอิญที่สุดอ่ะที่ผีดิบตัวนี้นําผมเดินมายังตําแหน่งที่มันหักกิ่งไม้เพื่อนําไปทิ้งที่แอ่งน้า น, นั่นแหละผมเห็นรอยหักสุดๆก็รู้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นกิ่งที่ถูกนําไปแช่อยู่ในแอ่งนั่นแล้วมันจะหักกิ่งไม้ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะคุณในเมื่อระดับสูงมาก กิ้งก็ใหญ่กว่าร่างกายขนาดมันจะหักได้ไม่น้ําซ้ํายังนําไปทิ้งไว้ที่แอ่งน้ํานั่นอีกด้วยหัวหน้าคณะฐานครับผมก็เพิ่งจะมาสันนิษฐานได้ตอนที่ได้รับทราบจากพวกท่านว่าไอ้งาดําแล่นสวนทางลงไปนั่นแหละครับรบพินตอบด้วยน้ําเสียงปกติของเขาเมื่อไงงาดํามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์อยู่ด้วย ก็แสดงว่าไอ้ผีดิบตัว น, นี้แหละครับที่นั่งบังคับอยู่บนคอช้างร้ายตัวนั้นบังคับให้ช้างใช้งวงหักกิ่งไม้แล้วก็ให้ช้างนํากิ่งไม้ไปทิ้งในแอ่งน้ําโดยมีมันนั่งเป็นควานกํากับไปด้วยขณะที่ผมไต่เนินขึ้นไปถึงแอ่งน้ําพร้อมทั้งห็นรอยพิรุษก็แสดงว่ามันเพิ่งจะโยนกิ่งไม้ลงไปในแอ่งไม่นานนักแล้วก็ยังแอบกันอยู่บนนั้นทั้งไอ้ผีดิบแล้วก็ไอ้งาดํา ผมจับรอยไอ้ผีนี่ได้ก่อนจึงตามมาส่วนไอ้งาดําก็ยังซุ่มหลบนิ่งเพื่อดักเล่นงานพวกท่านคิวอีเบรนร้องออกมาเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างประสานรอยกันได้หมดแล้วเมื่อเอาเหตุการณ์ทางด้านคุณและก็ด้านพวกเรามาชนกันอีทีนี้เราหันมาพิจารณากันถึงไอ้ซากนรกนี่เธอข้อแรกที่พวกเรางุนงงกันมากที่สุด มันเป็นคนละตัวกับที่เราพบเมื่อคืนนั่นก็แสดงว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวและไม่ว่าจะมีสักกี่ตัวแต่มันทำงานอย่างเดียวกันคือเป็นศัตรูที่จ้องจะล้างผลาญพวกเราโดยเกี่ยวข้องร่วมมือกับไอ้ช้างงาดารวมทั้งโขลงของมันด้วยเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันเมื่อรพินพาเราตามรอยเท้าของมันไป ก็พบว่ามันไปสิ้นสุดเอาที่รอยเท้าย่ำอยู่สับสนสแสดงว่ามันขึ้นขี่คอช้างซึ่งเปรียบเหมือนบริวารของมันไปส่วนลักษณะของไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวกันคือใช้ช้างเป็นพาหนะเพื่อจุดมุ่งหมายของมันแต่บางเอิญมันหนีไม่พ้นถูกกระพิงจับตัวได้คาหนังคาเขาซึ่งเราทุกคนก็เห็นอยู่นี่ว่ามันเป็นแต่เพียงซากมัมมี่โบราณ ประสาทจากชีวิตตามหลักของชีวช ว, วิทยาทั่วๆไปและทฤษฎีของระพินที่สอนเราไว้ก็พิสูจน์ว่าถูกต้องในกรณีที่ถ้าพบเห็นผีดิบเมื่อไรให้ยิงตัดกระดูกสำคัญเป็นการทำลายซาก ข, ของมันซะผลก็ปรากฏอยู่แล้วนี่พราะกระดูกขัวเข่าของมันหลุดมันก็นอนแอ้งแมงอยู่นี่เองเคลื่อนไหวต่อไปไม่ได้ สตลลีกล่าวสรุปกับทุกคนเชิดวุฒพยายามมองสบตารพินอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะบอกให้ทราบว่าเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์แห่งนิตรานครจากบุญคำโดยตลอดโดยใช้เวลาชวนคุยสอบถามระหว่างที่เดินมาด้วยกันจอมพลาศบตาด้วยนิดหนึ่งแต่ก็คงอยู่ในอาการสงบไม่แสดงสิ่งใดทั้งสิ่งระหว่างนั่นเองที่หัวหน้าคณะคริสตินา่าและหมอเบลุ ตัวลงตรวจราบอย่างใกล้ชิดนิรพินคุณพอจะมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับซากประหลาดนี้บ้างไหมคริสติน่าถามขึ้นเบาๆจอมพลยิ้มเลี่ยนๆยักไหลผมก็ไปศาสรจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงถูกเหมือนกันนะคริสทุกท่านที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็ล้แล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้น ถ้ามีใครเป็นนักธรณีวิทยาหรือนักสำรวจซากโบราณก็ลองตรวจ ด, ดูเถอะครับว่ามันเป็นซากของอดีตมนุษย์ในสมัยไหนไอผมน่ะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้หรอกบอกได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่นี่แหละครับคืออาถรรพ์ของป่าใหญ่ไพร ล, ลึกซึ่งครั้งแรกพวกท่านไม่เคยสนใจเชื่อถือมาก่อนเดี๋ยวนี้ทุกท่านก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์กันเถอะครับ ผมทำได้ก็แต่เพียงนำท่านทุกคนมาให้ได้เห็นหลักฐานเหล่านี้เท่านั้นสไตลี Stanley ตรวจดูตรงบริเวณทางออกกระสุนที่ทะลวงแหกสะบ้าหัวเข่าออกไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าจุดหมายของการทำลายชนิดนั้นเองที่ทำให้ซากต้องลม้มลงถ้าหากว่ามันกำลังเดินอยู่คริสตินานั้นตรวจดูตามบริเวณกลางลำตัวและหน้าอก เผือว่าอาจจะพบรอยกระสุนของหล่อนที่ยิงเมื่อคืนนี้บ้างแต่ก็ไม่พบสิ่งใดบอกชัดว่ามันเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนส่วนเบงซึ่งมีความรู้ทางธรณีวิทยาอยู่บ้างได้ตรวจในลักษณะของการสำรวจซากโบราณแล้วก็มาชะงักขมวดคิ้วครึ่งคิดหนักเมื่อหล่อนใช้มีดโบวีขูดเบาๆตรงบริเวณศีรษะของซากคลังมาเบ า, เบา ทำให้พักพวกทุกคนหันไปมองอะไรเหรอเบร์ B